ที่หลวงพ่อเฝอกับอาจารย์หมอชมชยัยพวกเฮากองขงอยากจะง ห, หวูมังวดหลวงพ่อเฝอยังเบิ่งเบิ่ ง, งพวกอะไก็อาปากจ้องปองจังแปงอย่างหลวงพ่อเฝอยังหลวงพ่อถามอาจารย์หมอชมชยัยเป็นอาจารย์โรงพยาบาลศรีนครินเนางอยู่ขางหลวงพ่อเนเพิ่นดูแลหลวงปู่ท่องพูน่นวัดป่าภูกระแต αι, อดีตเจ้าคณะจังหวัด เบืองการนะอดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองค่ายเบืองการเพิ่นป่วยเขาโร่งพยาบาลเกือบสามอาทิตย์มังน้อยจันทตั้งแต่ออกพรรษาเดือนหนึ่งเตีเดือนหนึ่งพดีเลยัเดือน1พอดีอดอดก็เพิ่นเป็นตัวหม้อหมะเนี่ยนอยไปแต่ว่าอาการกัอยู่ในหมอกำลังขันพิจารณาเกีียวกับ ในระหว่างถุงน้ำดีกระตับนกทอ่อแล้วก็มีต่อมลูกหมากด้วยทั้งอาจารย์หมอพังก็นเลยได้พาตัดด้วยวิธีการสองกล้องต่อมลูกหมากเรียบร้อยแต่ว่าตัวในระหว่างตับกับถุงน้ำดีนะยังแตะพระท่านได้เดี๋ยวในหลวงปูจ่จะนเรียนก็เลยให้ถวายยายาจีน ยายาจีนที่เป็นตระกูลยังก็เอ๊ะเป็งเซียงนั่นเตะเป็งเป็งเคียงเตะยาจีนเม็ดระันเม็ดละแปดร้อยสมัยก่อนนะแต่ตอนี้ยาหลวงปู่เจียนถวายเนี่ยอาจารย์หมอสมชายบอกว่าถวายหลวงปูนเนี่ยชาวเย็น เช้าเย็นตกเช่าก็หกพันบาทเย็นก็หกพันบาทเลยเป็นอันวา่ามือหนึ่งพันฉันอย่ามัดมือละมือสองใช่ไหมอาจารย์เออนั่นนะคำามันดีปวาและหลวงพ่อว่าเม็ดละแสนก็สื่อถอยผลเลยกันบนมีแต่แทงมหาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะพอมีจากเม็ดสองเม็ดหมดไป เออมันเสียหายอิเลี่ยมนไปเอ่อคู่บายจานระดับนี่แล้วมันต้องซอยกันเบิงนะ่ะเพื่อนกับกับวันสองวันใช่ไหมเออกับวันพุธกับวัดผูกกระแตของท่านแล้วอาการส่วนอื่นก็ดีขึ้นแต่ก็ได้ยังคอยดูคอยดูที่ว่ายาที่ฉันเม็ดละหมื่นไ อ, อ วันละหมื่นสองเนี่ยสองเม็ดเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยจะตอบสนองอย่างไรนะถ้าตอบสนองไก็ดีนะแต่มันก็ยังวาเหมือนกันนะลูกหลานในคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนผู้ได้ยาเป็นแต่เป็นมะเร็งเนี่ยมันรักษามันราคาแพงเป็ น, เ ป, นเป็นเน้ออื่นวะ <laughs> อ, อย่างหลวงปู่จังหวัดชัยภูมิก็เหมือนกัน อันนั้นก็ฉีดยาเข็มละแสนใช่ไหม เ, เ, เข็มละแสนแปดเข็มแปดเดืนเอนแปดเดือนแปดเข็มเข็มละเดืนเอนเดือนละแสนอันนั้นก็ยังถือกว่ายาของหลวงปู่ทงพูดแน่นอนตัวทงพูเอาเมือม่อเมือ่อละเมื่อสอง อันนั้นถ้าจะเปรียบเทียบโอ้ถ้าคิดเป็นเดือนเกือบเกือบสี่แสนเท่าบ้งกันนะนั่นแหละแต่ทีอยังไงก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงลูกหลานได้ไปกลับไปไหว้ก็เป็นสดิเป็นมงคลของชีวิต อันนี้มันเขียนผิดเนี่ยเป็นวันที่มันน่าจะเป็นวันที่สิบห้ามากกว่าใช่ไหมฮะอันนี้เขียนเป็นวันที่สิบหกเปนไผ่รับตาเขียนว่าปุณหนะ์เขียนไปให้ลุงพออ่านกันลุงพอทะเลอะทะเลากอ่านตามลูกหนองเลยกันเน่ยเนี่ยนะเง้ยไปทั่วจักรวาลเอาไปทั่วโลกคนนะลุงพออินจากไหนมาวอาวันที่สิบหกเหมือนเนี่ เออนี่ยนะเสือลูกหนอก่องบมเป็นเต่เสือดสู้เจ้าไปเออเสือลูกสู้เจ้าเขืกันนเออห้างเถอาคิดสนุกก็มีดได้ลูก น, อก น, อกนอก่องนอลงไปตมอาจารย์บั่งนะข่าวเนี่ยด้ยอาจารย์ก็ตะเลือดเลยกับประกาศแลเอาลงไปเออวันที่วันที่สิบหกจะแทนมันเป็นวันที่สิบห้าเอาลงไปเออเนี่ยนะมันดังไปเลยได้บาทเลยพวปันแน่นหน่อยตอมเนี่ยพอนะเข้าเคยแต่งเย็นบอก นหน่อยอยู่ผู้เดียวนไปคืดงอมคืดหมาเมื่อไห่ตุมหลอกเงี้ยพอคนอะะนะวันนด้คืดสนุกคกนเราไปนอนน่อนอยก็ยังอยู่กับเงี้ยพอสององค์ไนดะ้อยู่ในวัดวันนูดบ้า น, า น, านเฮดจังไนก็แล้วยางไปใช่ก็แล้วงอกเ ง, ง, งียง้ยแงก ย, ยอยงไปเมื่อใหคืดสนุกคนเราไปบาทนะเรเห็นเงี้ยพอองค์หนึ่งมาจากทางไก่คนเราไปพ้ายบาดอายุอายะเม่าคนเราไป พอมาฮอขคือมาสาราเนี่ยน่อยกลับไปตอนรับครับศูนย์เอาไปเอานามเอายังไปถวายเพื่อนบอกเงี้ยพออย่าพ่อเ น, นี่ยบอกเย่ายาพอไม่หรอกที่มาหม่เ ย, ย่ายพอจวัดขน่อยนี่หูหนวกนะนได้เขาะน่ขันบอ ก, ก็ต้องบอกดังๆแนะ น, น่เขาจะเนี่ยอย่าไปบอกอย่าไปบอกคอยเพิ่นบ่ได้ยินต้องบอกดังๆมาจะเนี่าขไปหาเพิ่นมาจะเนี่ยาแล้วก็เอานามถวายเพื่นเรียบร้อยแล้วกันเนี่ยน่อยก็ ไปหายยาพอ่อเจ้าของมาเนี่ยยาพอ่อในวัดก็เย่าพ่อยาพอ่อท่านยาพอ่าพอที่มาไม่นั่นหูหนวกได้ก็ท่นหูตึงหูหนวกก็่านันวอกกรเพิ่นก็บอกแห้งแ้งแ น, น่ว่าน่ยอยาไปวค้อยว่ะท่านเนีอนนี้น่อยบอกยาพอ่อเออบาทอะไร ย, า, ยาพอ่อไถ่แขกก็เคาขึ้นไปหาท่านแล้วาบาอะไรยาพ่อก็อยู่เจ้าของคนก็อยู่ในกุฏิออกไป เพิ่งก็ทักท่ายกันแล้วนะน่นอยบอกได้ไดต้องบอกเสียงดังันออกไปเนี่ยพอจอวาดก็ะทำนะมาแต่สา ย, ยาเนี่พ่อนี่มาแต่เมื่องโคาชเป็นไร ห, หูเป็นยังไงผุดไปว่าเป็นยังได้เหรอุดไปเอาไปมาจอจิหัวจาก็เป็นถูกเน่หน่อยตมนไป โอ้ยนีหละซุเจ้าฟังเอาไว้เลยเนี่าไปหาปวดไอ้บอยมากหัวบ้านถ่ายบ้านก็ไปหาเสื้อทะเลทลายหลวงปไดใหญ่ใขนาดหลวงพ่อเห็นหมดน่ะกู้บาเขียนเป็นรายลักอักษรพวกนัะวันเถ้าวันเสาร์ที่สิบพกกว่าจะด้ที่แท้ไม่เป็นวันเสาร์ที่สิบห้ามึงเดี๋ยววันนึงไปเออน่ะขั้นหลวงพ่ออ่านเนโอ้ดังแล้วระเบิดเถิดเถิงไปแล้ววันนึไปมาแล้วกูบไเสี่ยงแปงลง่มเฟซบุ๊อีต่างหากคนออกไป เ <c oughs> ว น, น่ะลูกหลานเนี่ยฟังน่ะลูกหลานพอได้ก็ตามต้องฟังไวสักก่อนวันนึงไปเบิ้งสักก่อนแหสังเกตสักก่อนอยังคอยทีบเาอายังผัวโหลดพลาดลาดออกไปกนเบ่าพบ่ถือบ่าแมนอน่เสียหายเด้มันออกไปแล้วมันเสียหายน้ำข้อมบาวน้ำผพวท่านนบ้านเนี่โอ้ยมู่ว่านเนี่ ย, ยลงพอเบาพิเด้อพยอยอีกมันลงไปแงเสียหายแห้งขายหนาไปเลยมันไป มันพอเห็แล้มันโอบผิดอะไรเพราะในให้ก่รทิวชิวชิวะไ อ, อ้ยังก็ต้องสังเกตให้หลอบขอบไอ้สะก่อนโดยเฉพาะอย่างยิงอยู่กับหมูกับเพื่อ น, นคนโมล้านเขา อ, อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจานะคนโมล้านเขาบอกอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด บางที่คิดกลุ่มคิดลุมขึ้นว่าเอาไปมาขาจะค้องตายก็ไม่ได้เอเบังในระว่างความคิดคิดนี่เป็นศีลเป็นท่ามบอแล้วกับอยู่กับหมูกับเพลอนให้ระว่างว่าจา่าว่าจ่าข้ามผูดวันไหนพวกเข้าเรามัดระวังอย่างคู่บาวคนเขียน เขียนที่ว่าวันที่วันนี้วันที่สิตามจริงวันนี้เป็นวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นวันนี้เนี่ยนเะมื่อคืนหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับอุบาสกห้าคนเข้ามาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่อกักบกิริยาต่างกันคนหนึ่งมาแล้วก็ นั่งฟังเทศกันนอนหลับคนที่สองมานั่งฟังเทศเอามือเขีย่ยคุยเขี่ยดินคนที่สามนั่งนะเขย่าต้นไม้อะไรไปคงมีแต่คนไม้อยุบพุ่มไม้อยู่ใกล้ๆเขยา่าแล้วก็มองอคนที่สี่แหงนแงนหน้าขึ้นฟ้านละยไม่รู้มองอะไรก็ไม่รู้มองท้องฟ้าเอาน้ไป คนที่ห้าเนี่ยนั่งประสานมือแล้วก็ทำความสงบนิ่งพระอานุ์ถามพระพุทธเจ้าอุบาสกทั้งห้าคนทําไมอากับกิริยาไม่เหมือนกันพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้านั้นบอกว่าเนี่ยคนที่นอนหลับนั่งภาวนาสัปรงกหน้าสับประงกหลังออันนี้เคยเป็นงูเหลือมมา ก, ก่อน เคยเป็นงูมาก่อนเคยเป็นตระกูลนาคมาก่อนติดต่อกันถึงห้าร้อยชาติไม่มีในระหว่างเลยหรอพระเจ้าค่ะเออแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอยู่ในระหว่างออแต่ตามจริงมันมากกว่าห้าร้อยชาติแต่มันติดต่อกันจริงๆนะห้าร้อยชาติแต่ก่อนหน้านี้ก็เกิดเป็นนวางเกิดเป็นงูบ้างเกิดเป็นอย่างอื่นบ้าง แล้วก็คนนึงเขย่าต้นไม้ลราพระเจ้าค่ะคนนี้เคยเป็นเหล่งมาก่อนติดพบติดชาติผู้ที่เคี่ยดินลราพระเจ้าค่ะผู้นั่งเคี่ยดินนลยเคยเป็นไส้เดือนมาก่อนกินดินเคยคู้ยเคี่ยดินกินมาก่อนแต่คนที่มองท้องฟ้าล่ะพระเจ้าอันนี้เคยเป็นหมอดูหมอเดาหมอดูดวงมาก่อนแล้วคนที่นั่งประสานมือนั่งด้วยความเคารพล่ะ อันนี้เคยเป็นพราหมมาก่อนเคยเป็นพราหมมาก่อนคือเคยเป็นสอนไตรเวทเคยศึกษาธรรมะมาก่อนเคยศึกษาวิชาทางโลกมาก่อนเวลาเขาฟังเนี่ยเ้าจะเปรียบเทียบเออพระพุทธเจ้าตรัสไปนี่เนี่ยถูกต้องไหมมีเหตุผลไหมเปรียบเทียบกับความรู้ของที่ได้ศึกษามาเนี่ยคนนี้ได้ประโยช น, เนย์เมื่อเราเทศจบลงแล้วคนนี้จะได้สาเร็จพระสูดาบัน แต่อีกสีคนน่ะเปล่าประโยชน์นะพระพุทธเจ้าบรรนวาอย่างสันนะท่นตรัสอย่างนั้นนะเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตดูนะกัรมาหลวงพ่อเทศอะไรให้ฟังนะจิบ น, นู้นจิบนี่แสดงว่านิสัยลิงยังมีอยู่นะท่านข้าในเขียนนั่นเขียนี่นะอาจจะเป็นไก่มาก่อนก็ได้เหมัอนกันเนพะราะนั้นให้พวกเราดูดูพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะ ตอมีอุบาสกกลุ่มหนึ่งเอกเยเข้ามากราบพระพุทธเจ้าห้าคนเหมือนกันมาใกล้ๆก่าพระพุทธเจ้าเน่ยข้าเนี่ยพวกข้าพระองค์ห้าคนเนี่ยรักษาศีลห้าเนี่ยแต่ข้าพระองค์ว่าข้อที่หนึ่งรักษายากที่สุดนะคือไม่ให้ฆ่าสัตว์นะแล้วก็คนที่สองไม่ใช่หรอกข้าพระองค์บอกว่าอธินาทานเนี่ยคิดจะขโมยแต่ขโมยของคนอื่นเขาเนี่ย บางทีมันไม่ใช่ธรรมะที่ยากมากพระเจ้าค่ะคืออุบาสกห้าคนรักษาสินคนละข้ อ, อต่างคนก็ต่างว่าขตัวเองนะรักษายากแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสริมข้อใดข้อหนึ่งนะท่านบอกวันเนี่ยทุกคนรักษาสินห้าแต่ละข้อมีประโยชน์ด้วยกันทางนั้น เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายให้รักษาศีลถ้าได้ทุกข้อก็ยิ่งดีถ้าได้ทีทละข้อจะนี่ก็ยังเป็นยังมีประโยชน์อย่างมากในการเน้นหนักในการรักษาแต่ละข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญทุกข้อในศีลห้าเนี่ยแต่คนครูโรงเรียนเขาถามกันนะเข ถ, ถามกันถ้าคนมาวัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นหนักว่า ศินข้อห้านะครูว่าครูบาอาจารย์ต้องระวังนะแต่นี้ก็เขาไปถามกันเอเป็นข้อสอบออกมาเหมือนกันนะข้อสอบของครูครูประจำท้องถิ่นนะถามกันว่าเป็นข้อสอบสอบความรู้เนระื่องศีลธรรมศินห้าข้อเนะี่ยข้อไหนที่เป็นสินที่อันตรายที่สุดนะมันก็ตามแสดงความคิดเห็นใช่ไหมล่ะ คนหนึ่งว่าสินข้อหนึ่งข้อสองอย่างอุบาสกในครั้งพุทธกาลน่ะนะแต่ลท้นสุดก็มีคนหนึ่งแต่เขามีข้อสรุปไปว้แล้วว่าสินข้อที่หเนะี่ยเป็นสินที่อันตรายเป็นสินที่อันตรายกว่าสินข้ออื่นในหข้อนั้นโพน้นทุดก็เลยเอาอธิบายต่างคนก็ต่างอธิบายมาก็สุกสินข้อห้าไม่ได้ เพราะข้อห้าอธิบายว่าคนขาดสตินะในเมื่อคนขาดสติทำความชั่วได้ทุกอย่างทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะมันขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าขาดการยับยั้งเหมือนกับถ้าเป็นรถก็คือเหมือนเหมือนรถเบรเบรแตกนั่นแหะวิ่งไปในใ น, ในถน น, นถ้าเบรมันแตรมันแตกแล้วมันไม่ได้เลือกใครแล้วมันไปตรงไหนมันไปตรงนั้นเลยนะ มันอันตรายนะียเพราะว่าอรถมันเบรกแตกนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคนเราถ้าขาดสติเสี้อย่างเดียวเท่านั้นนะมันอะไรไม่ดีทั้งนั้นนะ่ะอยับยัง้งมาอยู่ทั้งนั้นนะเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายทั้งนั้นนะคนที่ดีดก็เถ้าอย่างพวกเราทนะี่อยู่ด้วยกันเอาสุลากอเข้าไปซิอยู่ด้วยกันไม่นานหรอกเดี๋ยวก็นั่นนะออกฤทธิ์ออกเดชนะแตกวงกันเลยละ่ะ ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรขึ้นมาในวงการของพวกเราทันทีเพราะแะไรเพราะมันขาดสติน่แหละถ้าจะว่าไปศินข้อที่5เป็นศิลอันตรายนะคณะ ท, ะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะแล้วก็มีอุบามีพระสงฆ์อีกน่งนะกลุ่มหนึ่ง5องค์หองค์เข้าไปกราบพระพุทธเจ้ากราวาว่าพระพุทธเจ้าข้าในข้าพระองค์ทั้งหลายนี่ ในการประพุตธปฏิบัติธรรมเนี่ยบางองค์วันรักษาตาเนี่ยรักษายากองคหนึ่งวันรักษาหูองค์หนึ่งรักษาจมูกองหนึ่งรักษาลิ้นองค์หนึ่งรักษากายองค์หนึ่งรักษาใจเน่ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ความสําคัญกับทุกองค์เหมือนกันนะท่านไม่ได้ว่าองค์ไหนแต่ท่านก็สรุปลงว่าเนี่ย ให้รักษาใจเนี่ยดีอา่าในเมื่อตาไปเห็นรูปรูปสวยรูปงามก็ไปไปลักไปหลงในรูปถ้าเห็นรูปที่ไม่ละดีขี้ร้ายขี้เลวก็เบี้ยวปากใส่แ l a ลิ้นใส่อย่างนี้ก็โมโหห้เขาเอา่ถ้าไปเห็นหน้าตาสะสวยเสร็จสวยงดงามก็ไปลุ่มไปหลงในร่างกายของเขาเนะี่ยเนี่ยูดถึง เห็นตาไปเห็นรูปเนี่ยก็บอกว่ารักษายากจริงๆที่ไม่ไม่ให้มันเอ่อมันกระเพื่อมทำไม่ให้ใจกระเพื่อมมันยากจริงๆนะที่ไปเห็นรูปแล้วเข้ามาแล้วององที่หนึ่งองที่สองก็บอกว่าโอ้ยหูก็ใช่ย่อยเมื่อไหร่เอถ้าได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงเสียงดีๆเขาพูดจาพาทีภเร า, าะชนบทแล้วก็ เคิมไปตามเขาเหมือนกันเกิดกิเลสราคะเหมือนกันนะเออแต่ถ้าเขาดา่าเลยเขาด่าเราปริมาตรท้าทายเราเนะี่ยพอได้ยินขึ้นมาก็เกิดอารมณ์โทธโศโมโหกันเหมือนกันนะนะมันไม่ใช่ของธรรมดาเหมือนกันนะหูเนี่ยผมว่าสําคัญกว่าตาเลยนี่แหละอันนี้เถียงกันว่างั้นเลยเออแต่พระพุทธเจ้าท่า น, นออก็บอกกล่าวเออสําคัญด้วยกันบททุกองนั่นน่ะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกาย ทั้งกายก็เถอะนะสัมผัสเจ็นร้อนอ่อนแข็งหนาวหิวกระหายหนาะวมันทุกท้งนั้นนะแต่ถึงยังไงก็ให้สํารวมใจไว้ดีกว่านะให้ดูใจนะใจเนะี่ยสำคัญถ้าหาว่าใจของเราดูด้วยสมาธิสมาธิของเราดีแล้วนะเหมือนกับรถของเราเนะี่ยมันมีเบรก สมาธิคือเบรกนะอถ้ารถของเรามีเบรกจะไปในสถานที่ใดมันมีอะไรเกิดขึ้นก็เบรกควรไม่ควรแต่ถ้ารถของเราเบรกแตกแค่อย่างเดียวนะ่ะไม่มีสมาธินะ่ะไปอะไรมันก็ชนลงเหวลงบอดไปเรื่อยเนะี่ยเพราะรถเบรกเบรกแตกนะ่ะเอมันไม่ได้วาดนะหน้าผาตรงนี้มันไม่กล้าลงหรอกมันไม่ได้วาดนะมันเบรกแตกมันโดดได้ทั้งนั้น ชนคู่ชนคนได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะรถเบรกเปลกแตกนะอันนี้ก็เหมือนกันนะรถคนไม่มีสติคนไม่มีสัมปะชัญญะในตัวไม่มีสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยขาดความรู้ตัวขาดสตินะทำความชั่วเสียหายได้ถ้าทําความดีก็ได้ทําแบบ แบบไม่ัางใจนะั่นะมันก็เลยเป็นดีไปเองก็มีแต่โดยมากมันไปทางต่ำใช่มากกว่าไปทางชั่วใช่มากกว่าเพราะนั้นให้พวกเราท่านจึงให้จะทำยังไงจึงจะมีสตินะพอพุทธเจ้าท่านก็นสอนการที่จะมีสตินั่นก็คือกำหนดจุดใดจุดหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมกาหนดในขณะที่เรานั่งมันเน่ง ในเมื่อมันนิ่งร่างกายสุขส่วนมันนิ่งแต่จะเอากำหนดใจที่หัวใจมันเต้นจะตึกตึกตึกมันก็ะลึกเกินไปฮมันมองไม่เห็นฮ้ท่านก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนอกจากคนตายเท่านั้นนะไม่มีลมถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องมีลมถึงจะนั่งนอนอยู่ไงก็ต้องมีลมให้กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเนี่ย ในเมื่อเรานั่งมันเน่งลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ให้กำหนดลมหายใจเข้ารู้าหายใจเขาาจออ้าหายใจออกรู้หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือฝึกหัดสติถ้าเราเดินถ้าเราเดินจะกำหนดลมก็ไม่ได้เดี๋ยวจะชนหลักชนต่อไปด้วยตดสะดุดไปด้วยต้องกำหนดกับข้าการก้าวขาเดิน ขาขวาพดขาซ้ายโถมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินนะนี่แหละอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายฝึกสตินะให้มีสติอยู่กับตัวเองเมื่อมีสติอยู่กับตัวเองแล้วนะจะคิดจะพูดจะทำสิ่งไหนก็มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองคนมีสติเหมือนกับคนอยู่ในบ้านเฝ้าบ้านอะไรจะเข้ามาเราก็รู้ก็เห็นได้ทังนั้น ถ้าว่าคนที่ไม่มีสติเหมือนกับคนหนีออกจากบ้านไอหนีออกจากบ้านตัวเองหมูหมากาไก่อะไรเข้ามาทําร้ายทำร้ายบ้านของเราเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเราหนีจากบ้านเไงคือคนขาดสติเพราะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยในหลักธรรมคาสอนท่านให้ความสําคัญมากนะต่อเ น, นี้ไปตั้งใจละบผ่อนนะทีนี้นะ